หรือว่าริดของเมนตะกะเศรษฐีก็เหมือนกันเนี่ยนะเป็นแพะที่มีรัตนะในพื้นที่ประมาณ8กรีดของเมนตกะเศรษฐีปู่ของนางวิสาขาเนี่ยนะปู่ของนางวิสาขาก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีปุลย ว, วตัตโตริดนะหรือแม้กระทั่งโชติกะหรือโชติยะเศรษฐีทั้งหลายผู้มีบุญทั้งหลายเขาเรียกว่าปุญยวโตวอิทธิเนี่ยนะผู้มีบุญก็เรียกว่าปราธนาอะไรก็สําเร็จดังใจหมดแนหะ ส่วนวิชาเมยาอิทธิเป็นอย่างไรก็คือฤทธิ์ที่เป็นไปโดยในเป็นต้นว่าพวกวิทยาธรร่ายมนและก็เหาะได้สแสดงช้างบนอากาศเป็นต้นได้พวกนี้วิชาเมยาอิทิริก็คือฤทธิ์ที่เกิดจากเวทมนต์อาคมคาถาทั้งหลายนั่นแหละนะสมัยก่อนก็เชื่อถือสมัยนี้ก็ชักยุบยุบไปเยอะแล้วไม่รู้ทําได้จริงไม่รู้นะจริงกับเกงก็ใกล้กันนะเนส่วนสุดท้ายเนี่ยนะฤทธิ์สุดท้ายหมายถึงคุณวิเศษที่ทํากิจกรรมนั้นแล้วบังเกิด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 เช่นอ like like mm ่ะอิเทริตริทที่สําเร็จด้วยกําลังแห่งอภินญาเป็นต้นเนี่ยนะริทเหล่าใดที่พระพุทธเจ้ามีอยู่ญาติทั้งหลายของพระองค์ไม่รู้หรอกว่าพระองค์มีริทอย่างไรใช่ัหมก็คิดแต่ว่าเจ้าชายเนี่ยเจ้าชายอยู่ดีมีสุขออกไปบวชก็ไม่เห็นมีอะไรนี่นะก็คิดแค่นั้นเองก็ไม่รู้กําลังพระริทของพระพุทธเจ้าญาติทั้งหลายไม่รู้กําลังริทของพระพุทธเจ้าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ไม่รู้กําลังริทของพระพุทธเจ้าว่าในบรรดาริทสิบอย่างเนี่ย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 บางท่านบอกว่ากําลังแห่งปัญญาหมายถึงอาสาธารณญ า, านหประการอาสาธารณญ า, านหประการก็ชื่อว่ากําลังแห่งปัญญาของพระพุทธเจ้าอาสาธารณญ า, านหมีอะไรบ้างก็ง1มหาการุณาสมาบัติยาน 2. อ, อาสยานุสยายานสามอินดริยะโปรปรยัตยานสี่มหาการุณาสมาบัติยานหาสัพพัญญุตยานหอนาวรณญ า, านเนี่ยนะ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 ทศพลยานยานที่เป็นกำลังสิบประการของพระพุทธเจ้าเป็นเช่นใดเนี่ยนะอย่างเช่นพระองค์เนี่ยมีฐานาฐานเนี่ยนะพระองค์เนี่ยมีฐานาฐานานฐานาฐานันยานที่สามารถกำหนดรู้ฐานะและอาฐานะของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะฐานาฐานัาเนี่ยมาจากคาว่าฐานะบวกอฐานะฐานะบวกอฐานะเนี่ยนะฐานะแปลว่า เหตุอาฐานะแปลว่าไม่ใช่เหตุเช่นว่าอะไรเป็นฐานะของอะไรเช่นกุศลเนี่เป็นฐานะแห่งสุขหรือแห่งทุกข์กุศลเป็นฐานะแห่งสุขอากุศลเป็นฐานะแห่งทุกข์กุศลไม่ใช่ฐานะแห่งทุกข์เลยอากุศลไม่ใช่ฐานะแห่งสุขเลย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 อันนี้พระองค์มียานยานที่กําหนดรู้อย่างรู้กรรมและผลของกรรมว่ากรรมเหล่าใดเป็นทิท ram, ่ตธรรมเวชินียกรรมเป็นอุปชาเวชนียกรรมหรือเป็นอัปราประเวชนียกรรมกรรมเหล่าไหนาให้ผลน้อยกรรมเหล่าไหนาให้ผลมากหรือว่าอย่างเช่นอีกนหนึ่งก็บอกกรรมในอดีตให้ผลในอดีตกรรมในอดีตให้ผลในปัจจุบันกรรมในอดีตก็จะให้ผลต่อไปในอนาคตกรรมในปัจจุบันให้ผลในปัจจุบันกรรมในปัจจุบันจะให้ผลต่อไปใน อนาคตกรรมอนาคตจะให้ผลต่อไปในอนาคตเนี่ยนะอีกในหนึ่งหรืออีกในหนึ่งก็บอกว่าอย่างที่เราเห็นได้ยินเป็นต้นจากกูวิญญาณโสตะวิญญาณการมีชีวิตอายุยืนยาวทํากรรมเหล่านี้ทำตั้งแต่เมื่อไรอย่างไรเป็นต้นเนี่ยก็นั่นแหละก็เท่ากับอ ะ, ะไรนะถ้าเป็นเป็นคนพิเศษก็มันว่าร่างกายของเราเนี่ยเจริญด้วยอาหารใช่ไหมเรารู้ใช่ไหมว่าร่างกายจเจริญด้วยอาหาร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 ผิวแบบนี้ทำกรรมมาเมื่อไรอย่างไรแค่ไหนและกรรมเหล่านี้ผิวอย่างนี้จะมีผลต่อไปอีกนานขนาดไหนเป็นต้นแต่พระพุทธเจ้าจะตอบได้หมดเลยแต่ว่าทั่วๆไปก็เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าแทนมานั่งจําแนกอย่างนั้นก็ไม่ต้องจบต้องสิน้นเอาเป็นว่าพระพุทธเจ้าทํากรรมอะไรมาจึงมีปหาปริศลักษณะดีกว่าฟังกันถ้าอย่างนั้นน่าอัศจรรย์กว่าเรียนแล้วมีศรัทธาฟังกันแล้วก็ต่อไปสัพพัทธคามมิณีปฏิปทายานแปลว่ายานที่กําหนดรู้ ทางที่ไปสู่ภูมิทั้งปวงว่าเออถ้าแกทําตัวแบบนี้นะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแบบนี้ประตูนรกว่างานนั่นนี่คือทางไปสู่นรกกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแบบนี้นี่ทางเปรตกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแบบนี้เดรัจฉานต่อไปนะทำตัวแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้แนวความคิดแบบนี้ต่อไปมนุษย์พฤติกรรมแบบนี้ทําตัวแบบนี้ต่อไปเทวดาแล้วก็ไล่เลยว่าทําตัวแบบนี้พูดแบบนี้คิดแบบนี้ทําแบบนี้จ่าตุ่ม ทำมาตัวแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้อยู่ดาวดึงญามามดุสิตนิ ม, มานารดีหรือไปสู่พรหมโลกหรือถ้าปฏิบัติตามอริยมรตอันประกอบไปด้วยองค์8เช่นนี้ปรินิพันธ์เพราะองค์รู้หมดเลยว่าถ้าพฤติกรรมคำพูดแบบนี้จะมีผลต่อไปในอนาคตอย่างไรเนี่ยยานที่อย่างรู้อันนี้เรียกว่าสัพพัทธามินีปฏิปทาญานยานที่คำว่าสัพพัทธกแปลว่าโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะในข้อปฏิบัติที่ไปสู่คติ5นรก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 เรียว่ากําลังที่ยังรู้ว่านี้เป็นทางไปสู่ที่ไหนเนี่ยนะต่อไปสอเนกธาตุนานาธาตุโลกาชาณาญานญาณที่กําหนดรู้โลกรู้ธาตุเป็นอเนกและก็ธาตุต่างๆกันคือรู้ธาตุของของธาตุเนี่ยนะเช่นปฐวีธาตุมีลักษณะอย่างไรอาโปธาตุเตโชธาตุปฐวีต่างจากอาโปอย่างไรแล้วสมมติวต้นไม้เอามาต้นหนึ่งเลยธาตุเหล่านี้มีรองค์ประกอบอะไรบ้างแล้วทาไมต้นไม้ชนิดเนี้ย ทำไมมะนาวจึงเปรี้ยวอธิบายได้นะว่าทำไมมะนาวจึงเปรี้ยวทำไมสะเดาจึงขมทําไมดอกทานตะวันมันจึงหันหน้าไปอย่างนี้หรือทําไมคนนี้คิดอย่างนี้เพราะอะไรก็เรียกว่ายานที่สามารถอย่างรู้ว่าธาตุเช่นจักขคุธาทําไมตาคนนี้จึงตาเหลือกตาเหลตาเคตาเอียงเป็นต้นนะแยกได้หมดเลยตาแค่นี้ทําไมมันเห็นได้ขนาดนี้ความแตกต่างแห่งธาตุความหลากหลายแห่งธาตุเช่นธาตุห่ธาตุสธาตุสามธาตุสี่ธาตุหธาตุ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 ผู้มีอัธยาศัยดีก็คบกับคนมีอัธยาศัยดีในอดีตนะคนเลวก็คบคนเลวอนาคตต่อไปคนเลวก็คบคนเลวปัจจุบันนี้คนเลวก็าา ค, กจจกคจจบคนเลวอย่างขี้เมาก็คบแต่ขี้เมอ า, า, า habla, อะะนะเพราะเป็นนั่งคนกั้งกินเหล้ากับคนไม่เมาได้ที่ไหนใช่ไหมพอเลิกเมาก็ต้องหาพวกใหม่แลยนะ้ยมันก็เป็นไปตามธาตุอย่างนั้นน่ะเรียกว่าเป็นไปตามธาตุจริงๆตามอัธยาศัยพวกเพ้อเจิมจะเข้าไปหาด้วยกันก็เหมือนกันน้ําันาจะไหลไปรวมกันคนธาตุใกล้กันมันก็จะเข้าไปสู่รวมกันเรียกว่าธาตุมันเป็นไปตามธาต์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 มันเป็นอย่างนี้มาตั้งอดีตอดีตเมื่อก่อนมันก็เป็นอย่างนี้แหละต่อไปอนาคตมันก็เป็นไปตามธาตุน า, นานาทิมุติกายานเนี่ยเป็นไปตามอธิมุตคือเป็นไปตามจิริธทธายาสายมันเป็นเราเสมอกันด้วยธาตุเหมนันนะอย่างที่6อาสยายนุสยายานตรงนี้ก็บวกอินเดรยะโปรปริยัติยานด้วยเนี่ยนะแสดงว่าเป็นพุทธจักสุเป็นพุทธจักสุ ข, ของพระองค์ที่ยังรู้ความยิ่งความหย่อนแห่งอินทรีย์หมายว่าคนนี้มีศรัทธามาหรือศรัทธาน้อยรู้เลย คนนี้เพียรมากหรือเพียรน้อยคนนี้สติมีมากหรือมีน้อยคนนี้มีสมาธิมากหรือสมาธิน้อยคนนี้มีปัญญามากหรือปัญญาน้อยแยกแยะออกเบ็ดเสร็จหมดเลยคนนี้บรรลุได้หรือบรรลุไม่ได้ไอ้ที่บรรลุได้ต้องบ่มนานขนาดไหนใช้เวลาขนาดไหนใช้คําสอนขนาดไหนใช้เทศนาขนาดไหนจะบรรลุได้เมื่อไร่อย่างไรหรือบรรลุได้แค่ไหนอันนี้เป็นอาศยานุส ย, ยานของพระพุทธเจ้าวิจัย เ, ยเบย็ดเสร็จหมดแล้วจึงสอนของเราสอนดูก่อนแล้วค่อยว่าที ก็เรียนลองเรียนดูก่อนกันละกันถ้าไม่ไหวก็เลิกนะเนี่ยนะเขาว่าเนี่ยนะแต่เป็นของพระพุทธเจ้าเนี่ยหมายเขาว่าทุกอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าสำรวจตรวจตราตรว จ, รวจสอบเบ็ดเสร็จหมดแล้วจึงค่อยทำนั้นพระพุทธเจ้าสอนแล้วพลาดไม่มีเนี่ยนะบอกว่าพระองค์เนี่ยเขาทำอย่างว่านะบำเพ็ญบารมีเพื่อทํำกิจเหล่านั้นโดยตรงเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ทํำกิจเสร็จแล้วพระองคก็ร่วงรับไปเหมือนอย่างว่าดวงอาทิตย์ส่องสว่างในโลกเรียกว่าสุดสุด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 แปลว่าฌานเนี่ยนะว่าอันนี้เป็นความเศร้ามองของปฐมฌานอันนี้เป็นความวิเศษสภายกยะของปฐมฌานอันนี้เป็นวิเศษขึ้นของปฐมฌานถ้าคุณจเจริญฌานแบบนี้เศร้ามองถ้าทําแบบนี้ผ่องแผ้วอันนี้เป็นการวิธีเข้าฌานอย่างนี้วิธีการดํารงอยู่ในฌานอย่างนี้วิธีการออกจากฌานของปฐมฌานทุติยฌานหรือสมาบัตแ8 ถ้าทําอย่างนี้จะได้สมาบัติเช่นนี้ทําแบบนี้คิดแบบนี้ดํารงอยู่ในสมาบั so so im, Gomez, ติเหล่าน <he> ี้ได้ค <layers> ิดแบบนี้ทําแบบนี้สมาบัติเศร้าหมองทําแบบนี้เจริญแบบนี้สมาบัตผ่องแผ่ยิ่งๆขึ้นไปเรียกว่ารู้วิธีเจริญรู้อะไรเป็นความเศร้าหมองอีกในายหนึ่งก็บอกว่ารู้ว่าอะไรเป็นความเศร้าหมองของความคิดอะไรที่สามารถทําให้ความคิดบริสุทธิ์ขึ้นคิดยังไงความคิดจะบริสุทธิ์ขึ้นรู้จักเหตุรู้ปัจจัยของสมาธิ ของฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติเช่นปฐมฌานทุติตติจตุทะปัญจมะเป็นต้นนั่นะรูปฌานอรูปฌานหรือวิโมกวิโมกแปดหรือว่าสมาธิสมาธิมีวิตกวิจารสมาธิไม่มีวิตกวิจารสมาธิที่ไม่มีวิตกมีแต่วิจารหรือว่าสมาธิมีองค์ห้าเป็นต้นหรือสมาบัตเนี่ยนะรูปฌานสมาบัติอรูปฌานสมาบัตินิโรธสมาบัตภะสมาบัติสมาบัติเหล่านี้มันเศร้าหมองเพราะอะไร มันบริสุทธิ์เพราะอย่างไรเข้าสมาบัตเหล่านี้ได้อย่างไรออกจากสมาบัตเหล่านี้ได้อย่างไรพระองค์รู้อย่างนี้แหละเรียกว่าญาณที่เป็นกําลังของพระองค์อย่างที่เจชื่อเต็มยศว่าชาณวิโมกขสมาธิสมาปัฏิสังกิเลสะโวฐานวุฒานะยะถาภูตยานเรียกว่า อะไรนะฌานก็บวกฌานบวกวิโมกบวกสมาธิบวกสมาบัต น, นะก็คือคุณธรรม1นฌาน2วิโมกสามสมาธิสี่สมาบัติส่วนสังเกตก็คือความเศร้าหมองของฌานวิโมกสมาธิสมาบัตโวทานก็แปลว่าความผ่องแผ้วของฌานวิโมกสมาธิสมาบัติวุฒานะว่าเข้าฌานอกฌาน ได้อย่างไรเข้าวิโมกออกวิโมกอย่างไรเข้าสมาธิออกสมาธิอย่างไ ร, เ ข, อองไรเข้าสมาบัตออกสมาบัตได้อย่างไรพระองค์รู้สิ่งเหล่านี้ตามเป็นจริงอันนี้เป็นกําลังข้อที่เจดของพระองค์เนี่ยนะที่สามารถปฏิญาณว่าเป็นาศาสดาของโลกได้เนี่ยนะประกาศพระมรรคให้เป็นไปส่วนญานที่8ดที่เป็นกําลังของพระพุทธเจ้าเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติยานพระองค์นี่มีปัญญาที่ระลึกชาติในหนหลังได้หนึ่งชาติสองชาติสามชาติเป็นต่อดถึง หลายแสนชาติหลายสังวัตกรรวิวัตกรรมหลา ย, ายมหากรับหรือแม้กระทั่งหลายหลายอสงไขกกับเป็นต้นว่าสมัยนั้นคนนั้นมีชื่อย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีนามสกุลอย่างนั้นเช่นถ้าใครเรียนพุทธวงศ์นี่จะรู้ดีว่าพุทธวงศ์เนี่ยพระองค์แสดงด้วยปุเพนิวาสานุสติยานสา ม, มารถระลึกของพระองค์เองก็ได้ของ บุคคลอื่นทั้งหมดก็ได้เนี่ยนะเขเรียกว่าอยู่ด้วยความประสงค์ของพระองค์ว่าประสงค์จะรู้หรือไม่แต่ที่สําคัญว่าความรู้ทั้งหมดจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราสัตว์หรือไม่เท่านั้นเองข้อที่9ก็คือจุตูปปาตยานยานที่สามารถกําหนดรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายหมายก็ว่าว่าจุติเมื่อไหร่และปฏิสนธิเมื่อไหร่อย่างไรที่ไหนและกรรมเหลา่าใดนําไปสู่ปฏิสนธิณที่ต่นะางๆ ว่าเช่นว่าผู้ที่ประกอบความชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเป็นมิจฉาทิฏฐิเตรียมภ้าริยะสมาทานทำกรรมด้วยมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่กายเพราะกายแต่เข้าสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกหรือตรงกันข้ามเนี่ยนะว่าเป็นผู้ที่ทำความดี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 สัตว์ทั้งหลายน่ะเคลื่อนจากนรกโดยที่มาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาน้อยแต่เคลื่อนจากนรกไปสู่นรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานมากกว่ากลุ่มที่1กลุ่มที่2ผู้ที่เคลื่อนจากเปรตแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์เทวดาน้อยมาเป็นนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานมากกว่าแล้วก็อย่างที่สบอกว่าพวกที่เกิดในเดรัจฉานจะมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาน้อยโดยมากไปนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานมากกว่าที่นี้มนุษย์เหมือนกันว่ามนุษย์ที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาอีกน้อย กลับไปสู่นรกเปรตอสุรกายเดรฉานมากกว่าเทวดาทั้งหลายกา마าวจรเทวดาที่จะกลับมาเป็นมนุษย์เป็นเทวดามีน้อยกลับไปสู่นรกเปตอสุรกายเดรฉานมากกว่าเว้นแต่พรหมพรหมนี่มาสู่สุขติแต่ว่ามาเป็นมนุษย์แต่ว่าต่อจากมนุษย์ไปแล้วไปไหนอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะมนุษย์เนี่ยมันเป็นเครียกว่าทางมันโอยซับซ้อนมากะนะถ้าเดินหลุดไปทีเนี่งก็เหมือนทางบนกรุงเทพนี่แหละถ้าไม่ชํานาญทางมนุษย์จะหลุดที่ไหนก็ไม่ทราบเนี่ยนะ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 คือมันแล้วแต่ว่าจะเรียกว่าในทิศ8ดทิศเนี่ยนะจะหมุนตัวเองจะเดินไปไหนก่อนก็ได้เลือกทำเลือกพูดเลือกคิดได้ไหมมีสิทธิ์ัหมปัญหาว่าไม่ใช้สิทธิ์ในความเป็นมนุษย์นี่ว่าไม่ใช้สิทธิ์ในความเป็นมนุษย์ยอมจำนวนให้กิเลสหมดนี่ต่อไปอาสวะคยายานยานที่รู้วิธีทำอาสวะให้สิน้นเช่นโซดาปฏิมักธรรมคิฏฐาสวะให้สิน้นอนาคามีมรรมกามาสวะให้สิน้นอรหัตตมรรม ภวาสวะและอวิชชาสวะให้สิ้นไปเนี่ยนะเรียกว่าอาสวะข ย, ยานพระพุทธเจ้ายัางรู้ยานทั้ง1ิบประการยานทั้ง10ประการเหล่านี้แหละเป็นกำลังของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะตั้งแต่ฐานาฐานายญาอณอติตาณากตะป จ, จุปั น, นกักมมะวิปากะชาณะญาณสัพพทคามินีปฏิปทายานอเนกาธาตุนานาตุโลกะชาณะยานเป็นต้นเนี่ยนะอสาวลีทั้งหมดเลยนะ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 วันนี้ทำไมเข่าแท้ขอต่อต่อไปบุญกุศลคุณงามความดีเราใดก็ชอจงเป็นไปให้มีปัญญาด้วยเถอะเนี่ยนะเออถ้าทําบุญแล้วตั้งความปรารถนาเพื่อให้มีปัญญาเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าคนที่มีอะโมหัตยาสัยสท่า น, นต่อไปเขาจะสั่งสมความไม่โงูเข่าเนี่ยนะสั่งสมความรู้ต่อไปก็ขอให้มีความรู้แต่ที่สําคัญจะต้องเห็นโทษของความไม่รู้ให้มากแต่มันก็มีบางพวกนะบางพวกก็บอกเออก็เราเอ้าก็ไม่รู้ไม่เห็นจะเป็นไรเลยเ่าบอกั้น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 พระองค์ก็เลยเนรมิตสถานที่จงกลมเรียกว่าจังกรรมนังสถานที่จงกลมสถานที่เดินกลับไปกลับมาแต่ไม่ใช่ที่เดินสี่ซอกเดินกลับไปกลับมาก็เมาหัวเป็นลมอยู่ตรงนั้นนะแต่มาข่าวว่าที่เนี่ยพระพุทธเจ้าเดินที่จงกลมเนี่ยเนรมิตยาวขนาดไหนแค่หมื่นโลกาธาตุเนี่ยนะถือว่าเอาหมื่นโลกาธาตุเนี่ยจะเรียกว่ามันเหมือนกับทางด่วนแบบพิเศษอะไรพวกโทเวผู้อะไรเนี่ยก็มีเสามันจะมีเสาใช่ไหมเสามาตั้งๆแล้วกว็จะมีเพราะนั้นรองอันนี้ก็ พระองค์เนี่ยเนรมิตรที่จงกรมฉันนั้นนั่นแหละแต่ว่าเสาเนี่ยที่จงกรมมันมีอยู่ใช้เขาสิเนรุหนึ่งหมื่นเนี่ยใช้เสาซีเนรุเนี่ยวางเรียงกันหนึ่งหมื่นแล้วก็มีจันทน์มาวางพาดแล้วก็เนรมิตรเป็นรัตนะ์จงกรมเนี่ยเดินกลับไปกลับมานั่นแหละที่จงกรมเนี่ยเราเดินเป็นหมื่นโลกรธาตุเนี่ยนะทีนี้โรงโรงจงก ร, งกรมมา น, นั้นเนี่ยทำด้วยสับผ้ารัตน์มันดิตังก็คือตบแต่งด้วยรัตนะ เพราะให้เกิดความยินดีสิบอย่างเช่นเอาแก้วมุกดาแก้วมณีไผ่ทูลสังศิลาประพานเงินทองและแก้วลายพวกเหล่านี้เป็นต้นนี่แหละมามาเป็นองค์ประกอบในการสร้างโรงจงกรมเรียกว่าใช้วัสดุคือแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพผ่ทูลสังศิลาประพานเงินทองแก้วลายเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้แหละเป็นเครื่องรัตนะเพราะฉะนั้นพอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงดำริอย่างนี้แล้วว่าพระ อ, องค์จะเนรมิตโรงจงกรมเนี่ยนะ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 อธิบายว่าเทวดาที่อยู่ในอากาศได้ยินเสียงของเหลา่าเทวดาที่อยู่บนภาคพื้นดินก็เป่งเสียงดังต่อจากนั้นเทวดาเมฆหมอกเทวดาเมฆร้อนเมฆเย็นเมฆฝนเมฆลมเมฆฟ้าผ่ามีบ่าไหมต่อจากนั้นเทวดาชั้นจาตมดาวดึงยามาดุสิตนิมมาณรดีปรณิ ม, มิตรวัสวัสดีหมู่พรหมพรหมปุโรหิตมหาพรหมปริตตาภาปมานาภาภัสราปริตตาภาปมานัสุภา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 กล้องสูงเล็บขเนือ น, นะก็อนุโมทนาสาธุการด้วยปีติและปราโมทเนี่ยนะพักสักครู่กันนะครับ